ธรรมชาดกแผ่นที่เจ็ดลำดับที่เจ็ดโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่ย1็ดกันยายน2554้าห้ามีชื่อเรื่องว่าเศรษฐีบอกบุญในวันนี้นบว่าเป็นวัน หนึ่งที่ท่านนายกได้จัดพวกคณะผู้สูงอายุผู้สูงวัยได้ไปตามวัดต่างๆเพื่อบำเพ็งกองการกุศลบำเพ็ญบุญกุศลเข้าสู่จิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายเป็นการทัศนศึกษาวันนี้ก็วันหนึ่งท่านนายกกับคณะได้พามาอีกกลุ่มหนึ่ง อันนี้เป็นกลุ่มที่สามที่หลวงพ่อได้รับนะแล้วก็ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายนับว่าเป็นผู้โชคดีอย่างมากที่ท่านนายกได้จัดไปณสถานที่ต่างๆเป็นการทันศน ศ, ศ, ศึกษาหลวงพ่อมาอยู่ที่นี่ก็เป็นเวลาหลายปีถึง2ี่สกว่าปีตั้งแต่ปี2525 25, อยจนถึงวันนี้ะก็มีหลายกลุ่มที่เข้ามาแต่กลุ่ม ท่านนายกนี่ยังไม่เคยคราวนี้เป็นปีนี้เป็นปีแรกที่ได้จัดผู้สูงอายุไปทัศนศึกษาหลวงพ่อวาดีเพราะว่าผู้สูงอายุอยู่กับเย่าเฝ้ากับเรือนบางคนก็ไม่เคยไปไหนเลยพอมาเห็นโอ้โหวัดป่าเป็นอย่างนี้เหรอะอยู่ในป่าหลวงพงศ์ไพขนาดนี้เหรอก็ได้เห็นเป็นขวัญตาขวัญใจ จากนั้นก็ได้ไปเห็นสถานที่ต่างๆที่เขาก่อสร้างเพราะพวกเราจะไปตามลำพังก็ไม่มีกำลังที่จะไปได้วันนี้นับว่าเป็นวันโชคดีวันหนึ่งของพวกเราท่านทั้งหลายและก็พร้อมกันก็ได้ทำกิจกรรมอย่างที่ทายกได้พูดเมื่อกี้นี้เมื่อมาถึงและทำพิธีกรรมอย่างไรก็ได้เรียงลำดับให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษา ต่อมาก็เนี่ยท่านนายกก็ได้ไปเป็นประธานได้จุดทุกเทียนบูชาพระรัตนตรยัยเมื่อจุดทุกเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็ได้ไหว้พระย่อแล้วก็ออได้อราธนาสินอาณาสินเมื่อกี้เนี่ยหลวงพ่อเองในนามคณะสงฆ์ประธานสง์ที่ให้สินเตะตามม่จริงไม่ใช่ให้สินนะ หลวงพ่อไม่ได้ให้ศีลหลวงเป็นหลวงพ่อเองเป็นผู้พานําสมาทานศีลพระสงฆ์เป็นผู้พระพานําสมาทานศีละออไม่ใช่ว่าหลวงพ่อมีศีลสองร้อยี่สิบเจ็ดนะพระสงฆ์มีสองร้อยี่ิบเจ็ดเลิกแบ่งแบงให้คนละห้าละห้าเนี่ยพวกเราคิดดูสิศีลหลวงพ่อจะเหลือกี่ตัวงั้นเถอจะให้ท้งหมดไม่ได้่ะแต่หลวงพ่อเป็นผู้พาซะพานําสมาทาน สิ่งหวงพ่อไม่หมดนะสิ่งหลงพ่อพวกพวกเราก็ต่างคนก็ต่างสมาทานสมาทานสิ่งห้านะสิ่งห้านี่คืออะไรพวกเราจะทายญาติโยมก็มีแต่ทําหน้าที่การงานทำมาหาเลี้ยงชีพไม่ได้คิดเลยว่าศีลธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีความมีจุดประสงค์อะไรมีความมุ่งหมายอย่างไรแล้วก็เขาว่าเขาว่าไปตามเขาเพราเห็ตว่าเขาพาว่า พอเรียนมาแล้วก็เรียนมาแต่ความหมายในการว่าหรือในการนำหรือในการพูดนั้นคืออะไรพวกเราโดยมากก็โมกุ้นหรือว่ายุ่งเหยิงในการทำมาหาเลี้ยงชีพไม่ได้ศึกษาในรายละเอียดเพราะนั้นพระสงฆ์อย่างหลวงพ่อเนี่ยอยู่ในคณะสงฆ์ปฏิบัติหรือว่าเป็นแนวหน้าถ้าจะว่าไปแล้วก็คือเหมือนกับพวกเรา ศรัทธาญาติโยมนี่เหมือนช้างขาหลังแต่พระสงฆ์นี่เหมือนช้างขาหน้าหรือเท้าหน้าเอ๋เท้าขาหน้าเท้าหน้าพวกเราเป็นช้างเท้าหลังพระสงฆ์ที่เดินก่อนหรือว่าเป็นผู้รู้ก่อนรู้แนวทางก่อนแต่ถ้าว่าถ้าขุกขัดก็ขาหน้าก็ต้องตกหลุมตกบ่อก่อนอ ขาหลังยังคอยเดินตามแต่ถ้าเท้าขาหน้าเท้าขาหน้ามรู้จักทิศทางเป็นมาอย่างไรเป็นไปอย่างไงก็เท้าหลังก็จะได้รับหูรับทราบสรุปแล้วก็คือทั้งเท้าหน้าและเท้าหลังมีคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาต่อตัวช้างทั้งนั้นหรือถ้าเท้าช้างเท้าหน้าก้าวไปแล้วเท้าหลังไม่เดินตาม ขาหน้ามันก็ไปไม่ได้แต่ถ้าหากว่าขาหน้าไม่เดินขาหลังจะเดินไปแซงขาหน้าก็ไม่ได้มันก็ต้องไปด้วยกันนี่แหละคือพุทธบริษัทสี่อุบาสกอุบาสิกาภิกษุสามเณรภิกษุสามเณรคือช้างเท้าหน้าอุบาสกอุบาสิการสตาญาติโยคคือช้างเท้าหลังอาศัยต้องไปด้วยกันอ่าเพราะฉะนั้นหลวงพ่อในในฐานะฐานะช้างเท้าหน้า ก็ต้องรู้พอรู้ก่อนช้างเท้าหลังพราะพวกเราหมกมุ่นในการทํามหาเลงชีพยอย่างลุงพ่อได้กล่าวเราะนั้นลุงพ่อจะแนะนําเรื่องของศินที่พวกเราจะรับสินนี่รับมาอย่างไรทำไมคนวบราณเกืจร ง, จรงพารับศินแล้วพวกเราจะรับไปเพื่ออะไรได้ประโยชน์อะไรศินมีคุณท่ายอย่างไรมีคุณสมบัติอย่างไรแต่พวกเราจริง ว่าเข้ามาพระและ้วก็ไหว้พระแล้วก็รับสินนี่แหละอันนี้พวกเราวควรจะศึกษาเรียนรู้อีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นหลวงพ่อในฐานะช้างเท้าหน้าอย่างที่ว่าก็จะได้แนะนําแก่สัตยาญาติโยมให้ได้รับทราบอันดับแรกหลวงพ่อจะกล่าวว่านโมณนะ โ, นะโมตัสสะปะกวาโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะคือเป็นบาลีพวกเราก็ไม่รู้ว่านโมนคืออะไรแต่แปลออกมา แปลเป็นภาษาไทยออกมาว่านะโมตัสสะข้าพระเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นคือกล่าวถึงสามครั้งนะโมตัสสะกล่าวนะโมสามจบคือนอบน้อมถึงสามครั้งว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระอนุตรสัมมาสัมพุทยญาณเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงเอ่อเป็นผู้มีคุณประโยชน์ต่อโลกเป็นผู้ที่ ประกาศพระธรรมคำสอนออกมาพวกเราได้ฟังได้ศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านประกาศออกมานั้นเราพิจารณาดูแล้วมีคุณค่ามีประโยชน์ต่อมนุษย์มนุษย์โลกหรือต่อพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายจะรับสินพวกเราจึงนอบน้อมพระพุทธเจ้าก่อนข้าพเจ้าขอนอบน้อมต้นความคิดต้นพรรม ต้นคำสอนคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประกาศออกมาข้าพเจ้าขอน่อบน้องพระพุทธเจ้าด้วยเทอินอันนี้ก็คือความหมายจ า, ากามมสสานาาั้นกัพุทธทางธรรมังสังขังสระานางคดฉามิดุติยามปิตติยามปีพุทธทางธรรมังสังขังสระนางคัดฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณ ะ, ะเป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ดีรู้ชอบอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าว และท่านก็ประกาศพระธรรมคำสอนออกมาคือพระธรรม 84% ดหมพันพระธรร ม, มขันคือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าล้วนแล้วจะมีคุณค่ามีประโยชน์ต่อพวกเราทัานทั้งหลายถ้าเราวิเคราะห์ออกมาเป็นข้อๆเป็นเรื่องๆออกมาแล้วนะจากนั้นพระสงฆ์ก็ได้นําพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาประกาศมาเผยแพร่ให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาพวกเราก็ได้ฟังพระธรรมอย่างที่หลวงพ่อได้อธิบายให้ฟัง หรือหลวงตามหาปวอธิบายธรรมะให้ฟังอย่างนี้หรือครูบาอาจารย์อธิบายธรรมะให้ฟังหรือเราในอ่านหนังสือพระไตรปิฎกอย่างเนี้ยอันนี้ก็คือพระธรรมคําสอนของพระพุทธทเจ้าที่มาเป็นที่มามาได้อย่างนี้เพราะอะไรก็เพราะช้างเท้าหน้าอย่างที่ว่าคือพระสงฆ์เป็นผู้นําพระธรรมคําสอนมาบอกกล่าวให้แก่พวกเราพวกเราเห็นว่าพระสงฆ์เป็นผู้มีคุณมีประโยชน์ต่อพวกเราท่านทั้งหลาย พระสงค์ตั้งแต่พระโมกขราสาริบุตรกัจปาอานนท์มาจนถึงหลายหลายร้อยปีที่ผ่านผ่านมาได้ถือพระพุทธศาสนาได้นำพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถือกันมาเรื่อยๆจนถึงพวกเราท่านทั้งหลายในเมื่อถึงพวกเราพวกเราก็ถือต่อไปอีกลูกหลานของเราเกิดใหม่ใหญ่ที่หลังก็ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนเพราะนั้นพระสงฆ์ทพระพระสงฆ์ไม่นำพระธรรมคาสอน ออกมาประกาศมาเผยแพร่พวกเราจะรู้พระธรรมได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเราจึงนอบน้อมพระสงฆ์อีกส่วนหนึ่งเป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่งนับพุทธังทำมังสารนางคัตฉะสามังสารนางคัตฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งอันนี้ก็คือความหมายพวกเรายึดพระไตรสาระคมเป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จากนั้นหลวงพ่อจะได้กล่าวนำเป็นองค์ศีลเป็นข้อข้อ ว่าปานาธิปาตาเวรมณีสิขาปัทถังสมาทิยามิข้าพระเจ้าจะงดเว้นในการฆ่าการฆ่าคนฆ่าผุกฆ่าคนฆ่าใครก็ตามฆ่าสัตว์สัตว์ต่างๆจะฆ่าหมูฆ่าหมากาไก่ก็ตามเพราะพระเจ้าเป็นธรรมมาธิปไตยเป็นประชาธิปไตยธรรมมาธิปไตยท่านเป็นธรรมท่านบอกว่าการฆ่ากันไม่เป็นผลดีถึงเราจะไปฆ่าหมูฆ่าหมาก็เถอะ พอยกค้อนขึ้นมาแล้วมันก็กลัวยิ่งกว่าอะไรคนเราก็เหมือนกันถ้าว่าจะยกปืนผาหน้าไม้จะยิงกันเนี่ยเราก็กลัวยิ่งกว่าอะไรอถ้าว่าเขามาฆ่าจริงๆฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพี่ฆ่าน้องฆ่าตัวของเราฆ่าวงศาคณาญาติเรามีความรู้สึกอย่างไรเรามีความเสียใจมากพราะเขามาฆ่าตระกูลของเราเพราะฉะนั้นเมื่อเราไปฆ่าคนอื่นเขาก็เช่นเดียวกันเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึง บัญญัติสินว่าอย่าคิดอย่าคิดฆ่ากันถ้าคิดฆ่ากันแล้วมีแต่ความกระเทือนใจมีแต่ความทุทกข์ใจในชุมชนสังคมในยุคนั้นเพราะนั้นจึงบัญญัติสินข้อที่หนึอย่าฆ่ากันอย่าคิดฆ่ากันนี่แหละศินของพระพุทธเจ้ามีคุณค่าถ้าเรานํามาวิเคราะห์ดูแล้วถ้าทุกคนคิดต่างคนก็ต่างคิดฆ่ากันไปที่ไหนกัน็ปีนภพปืนผาหน้าไม้เออมีแต่ของสัตราอาวุธ ที่จะต้องไปปะหัตประหารกันฆ่ากันอย่างนี้เราคิดดูสิว่าโลกในยุคนั้นสมัยนั้นจะมีความร่มเย็นเป็นสุขได้อย่างไรมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายละสัมละสายไปหมดทุกหัวละแห่งเพราะอะไรเพราะว่ามนุษย์คิดฆ่ากันนะนี่ละสิงข้อที่หนึ่งข้อที่2องอธินาทานาเวระมะณีอยากคิดขโมยกันถ้าคนใดก็ตามคิดขโมยกันคนนั้นคิดขโมยคนนี้คนิคิดขโมยคนนั้นขโมยพ่อแม่ลูกหลานของใครไปเรียกฆ่าทายอย่างนี้ เรียกว่าขโมยรถสิ่งของของเขาในบ้านในเรือนของเขาเนี่ยต่างคนต่างคิดขโมยกันพวกเราคิดดูให้ดีก็แล้วกันขโมยเต็มบ้านเต็มเมืองพวกเราจะหาความสุขได้ไหมนี่แหละพระพุทธเจ้าเห็นคุณค่าอย่างนี้ท่านจึงบัญญัติสินข้อที่สองว่าอธินาทานาเว ร, รมณีพวกท่านทั้งหลายอยู่ด้วยกันอย่าคิดขโมยกันหน้าถ้าพวกท่านคิดขโมยกันความสงบพรมเย็นเป็นสุขจะไม่เกิดขึ้นในชุมชนของสุข พวกสูรเจ้าทั้งหลายฮะอันนี้คือสินข้อที่สองข้อที่สามกาเมสุมิทสาจาราเวรมณีสามีภรรยาลูกหลานตระกูลของใครเขาก็รักสังวนห่วงแหนของเขาถ้าเราไปล่วงลับเขาไปล่วงลับอธิปไตยของเขาไม่เคารพสิทธิ์ของเขาเ อ, อใส่สามีภรรยาลูกหลานของเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาล่วงลับเราก็เช่นเดียวกันไม่ว่าในระดับไหนแลสูงระดับสู ง, ร ะ, สงระดับต่ำระดับชาวบ้านก็เอะ แตถ้าหาว่าใครไปลากอิลูตูกังกับลูกกับหลานของเรากับสามีภรรยาของเราเไปปูยี่ปูยำเราคิดดูจะเสียใจขนาดไหนทุกคนต้องเสียใจด้วยกันทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะว่าไม่เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันอันนี้แหละคือสินข้อที่สพระพุทธเจ้าบัญญัติสูตเจ้าต้องการความสงบร่มเย็นเป็นสุขให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันนะอันนี้คือการเมสุมิจฉยจาราว ร, รมณี ข้อที่สี่มุสาวาทาเวรมณีสูุเจ้าอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นคณะพูดอะไรต้องมีความสัตย์ความจริงอย่าไปโกหกต้มตุนหลอกลวงซึ่งกันและกันถ้าว่าพวกเราต้มตุนต้มตุนโกโกห ก, กหลอกลวงกันแล้วพวกสุเจ้าจะหาความสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้อไปที่ไหนมีแต่โกหกกันมีแต่ต้มตุนกันกหลอกลวงกันแคดโกงกันด้วยวาจา คอควาจะไม่เป็นธรรมคือโกหกหมุสาวาทายพูดปลดไม่พูดความจริงนี่แหละพระพุทธเจ้านะว่าพวกคนพยายามพูดความจริงอย่าวพูดโกหกถ้าพูดโกหกต้มตุนหาความไว้เนื้อเชื่อใจกันไม่ได้ถามเด็กก็โกหกผู้ใหญ่ก็โกหกทุกผู้ไหนไหนก็โกหกถามพระพระก็โกหกอะพวกเราคิดดูใช สังคมนั้นจะไว้เนื้อเชื่อใจกันได้ยังไงจะตายกันได้ยังไงจะเชื่อกันได้ยังไงเพราะเต็มไปด้วยความโกหกในชุมชนสังคมในี่อพระพุทธเจ้ามองเห็นแล้วว่าสินข้อที่สี่เป็นสินมีคุณค่าพวกเราควรจะมีในในชุมชนของพวกเราขอสินข้อที่ห้าสุราเมรยะมั ช, ชะระปมาการดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท พราะพระเเจ้าท่านมองเห็นแล้วว่าทุกคนอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเอาสิตื่นสุรากันคนแล้วกงแล้วกงคนแล้วขวดแล้วขวด เ, เสียงอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปกับเสียงดังขึ้นเรื่อยๆผลให้สุดก็เกิดหมัดเกิด ม, มวยขึ้นมาเออจากนั้นก็ยังไม่นำใจกับถือมีดถือผ้ า, าไล่ฆ่ากันเนี่ยนี่อันนี้ะคนขาดสติพวกเราคิดดูสิเราชอบไหมคนขาดสติ ถ้าเราไม่ชอบเราก็ไม่ควรจะดื่มสุราในชุมชนนั้นสังคมเพราะเหตุว่าดื่มเข้าไปแล้วก็ต้องขาดสติถ้าดื่มน้ําธรรมดาดื่มยังไงก็ไม่ขาดสติถ้าดื่มสุราและเมลยัยดื่มเหล้าดื่มเบียร์เข้าไปแล้วขาดสติเมื่อคนขาดสติแล้วดีไหมอดีไหมอเราคิดถามว่าคนขาดสตินั่นมันดีไหมเอถ้ามันดีก็ออกก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าว่ามันไม่ดีฮเอในเมื่อเขาเอาปืนมา ฆ่าฟันลูกหลานของเราพ่อแม่ของเราเอามีดไล่ฟันเอาปืนไล่ยิงเราเอารถเหยียบเหยียบเรารถชนเราเพราะมันขาดสติเนีว่ามันดีอ้าวก็ไม่ว่ากันถ้าว่าโอ้โหถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่ดีไม่ดีตัวของเรานะคนหนึ่งน่าจะงดสิ่งที่ว่ามันที่มันไม่ดีแล้วงดอย่าทําคนที่ขาดสติแล้วทําความชั่วได้ทุกอย่างพระพุทธเจ้าท่านตัดไว้อย่างนั้นเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลาย ยาไปดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคันชา ย, ยาวฝิ่นเฮโลอินอยาบ้าโคเคนจัดเป็นยาเสพติดเมื่อเสพเข้าไปแล้วสมองปั่นป่วนขาดสติเมื่อคนขาดสติและทําความชั่วด้ทุกอย่างเพราะนั้นพวกเราสิลของพระพุทธเจ้ามีคุณค่าอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวคนขาดสติเป็นยังไงข่าพ่อขาแม่ก็ได้ เนีขโมยไข่ก็ได้ต า, าราบตะลวงสามีภรรยาลูกหลานไข่ก็ได้โกหกต้มตุ๋นหลอกลวงไข่ก็ได้เนี่ินข้อที่สี่เนีคนที่ชอบโกหกทั้งที่รู้จะไม่ทําความชั่วอย่างอื่นเป็นไม่มีพระพระเจ้าท่านตรัสอย่างนั้นเพราะนั้นการโกหกไม่เป็นคนดตของดีและศินข้อที่ห้าดื่มสุราก็ไม่เป็นผลดีต่อชุมชนต่อสังคมต่อครอบครัวของเรา สินทั้งห้าข้อนี้จะให้ใครเป็นผู้รักษาถ้าพวกเราต้องการความสงบร่อนเย็นเป็นสุขในชุมชนของพวกเราทุกคนต้องเป็นผู้มีสินไม่ใช่ว่าท่านนายกเท่านั้นแหละเป็นผู้มีศิลเพราเป็นผู้ใหญ่ฮะพวกเราไม่เป็นไรแล้วพวกเพ้อเพอพวกเราไม่มีสินเฮ้เป็นลักของนายกก็ได้ใช่ไหมไปทําอะไรก็ได้นะเพราะเราเป็นผู้ไม่มีศินเพราะฉนั้นสินเป็นหน้าที่ของเราทุกคนจะต้องรักษา นับหนึ่งจะกข้าพเจ้าเพราะว่าข้าพเจ้าเหตุขุนค่าของศีลแล้วเพราะพระพเจ้าบัญญัติศีลที่ถูกต้องแล้วเป็นธรรมแล้วนับหนึ่งจะกข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะเป็นผู้มีศีลคนหนึ่งนี่แหละท่านหนึ่งบวกหนึ่งพวกเรามีกี่คนสองร้อยห้าสิบใช่ไหมพวกหนึ่งพวกนั้นก็มีศีลคนนั้นก็มีศีลหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกสองเป็นสี่เพราะนี้ศุนย์ทุกคนมีศีลที่มาที่ฟังหลวงพ่อพูดในวันนี้นะมีศีลหนะ้านอ ทั้งหมดก็สองร้อยห้าสิบเพราะนั้นนับหนึ่งจะเข้าไปเจ้าเป็นผู้มีสินนะตอนนี้ไปทุกท่านนะรู้แล้วว่าสินมีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรตอนนี้ไปตั้งใจสมาทานสินนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสีเลนานิพุติงยันติตัดสมาสีลังวิโสทายาุ กี้นี้พวกเราท่านทั้งหลายได้กล่าวคารวะที่ผู้นําเว่าเทเรปรมาเทนะข้าพเจ้าขอคารวะพระคุณท่านหรือท่านพระอาจารย์ที่เป็นพระรที่มีอายุพรรษาพวกผมได้ประมาทพลาดพังพวกข้าพเจ้าทั้งหลายได้ประมาทพลาดพังพระคุณท่านด้วยกายด้ว ย, ยวาจาด้วยใจก็ขอประทุกขอพระคุณท่านเอาหัวสีให้แก่พวกเราด้วยเอาหวสวศรรมให้แก่พวกเราด้วย เพราพวกเราอไม่ได้ตั้งใจบางทีมันก็คิดอไปในกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมส่วนมนโนกรรมเนี่ยคือใจคิดเนี่ยมันห้ามได้ยากถึงประมาทด้วยกายก็ดีด้วยหัวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีขอพระคุณท่านโอโหสิให้แก่ข้าพเจ้าพวกข้าพเจ้าด้วยที่หลวงพ่อก็ว่าอะฮั่งคำมามิเออตรงพ่อยินดีโอโหสิให้แก่พวกท่านทั้งหลายที่ท่านได้ประมาท และก็พร้อมกันหลวงพ่อเองก็เหมือนกันได้ประมาทข้าหน้าสาญาติโยมพุทธบริษัท4ี่ทั้งแต่ต่อหน้าและรับหลังก็เช่นเดียวกันพวกเราควรจะให้อโหสิซึ่งกันและกันไม่ควรจะถือโทษโกรธเครืองซึ่งกันและกันการผูกพยาบาทอาฆาตกันหรือว่าการถือโทษโกรธเครืองกันไม่ไม่ใช่พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีจะให้อโหสิให้อภัยกันดีที่สุด เวรจะระ ง, งับได้ด้วยการไม่จองเวรเวรจะระ ง, งับไม่ได้เพราะการจองเวรนะถ้ามีการจองเวรกันอยู่เวรจะไม่ระ ง, งับเพราะนั้นท่านจึงให้ไปกราบคารวะ ด, ดํามุดน้ำดําหัวผู้สูงอายุที่มีอายุวัยวุฒิคุณนวตอันนี้คือเป็นประเพณีของพระพุทธศาสนา น, นี่ใครให้คณะพวกสัตยาิโยมได้เข้าใจนะคำธรวัดคารวะนี่คืออะไร ก็คือว่าเราได้ประมาทพลาดพังพระคุณท่านหรือพ่อแม่รูบาอาจารย์หรือวัยวุฒิคุณนวุฒิโดยกายจกรรมโดยกายด้วยวาจาด้วยใจว่าหัวท่าน โ, โหสีให้อันนี้แหละคือคารวะนะแล้วก็วันนี้เป็นกลุ่มหนึ่งที่คณะสัตธาญาติโยมที่ท่านผู้นำได้ให้หัวข้อว่า การดำเนินชีวิตด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์สูสุขอย่างยั่งยืนคือดำเนินชีวิตการดำเนินชีวิตเนี่ยมันมีมากลากหลายการธรรมาหาเลี้ยงชีพการดาเนินชีวิตเป็นราชการอย่างนายกเนี่ยการดำเนินชีวิ ต, เ, เ, เ, วตเหมือนกันพวกที่การสนับสนุนทีเ่เป็นตรองนายก หรือว่าคณะกลุ่มเทศบาลทั้งหลายทั้งปวงอันนี้ก็คือดําเนินชีวิตเหมือนกันพวกเราทํามาค้าขายก็ดําเนินชีวิตเหมือนกันชาวไร่ชาวนาเป็นนักพจนักบวชล้วนแล้วแต่ดำเนินชีวิตของพวกเราเราจะมีความสุขได้อย่างไรการดําเนินชีวิตนะอันนี้ที่คือตั้งหัวข้อขึ้นมาให้ค่าวว่าให้หลวงพ่อเป็นผู้เฉลยนะหลวงพ่อก็จะได้เฉลย ให้ฟังเหมือนกันศีนลธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือเป็นเครื่องเฉลยอยู่แล้วเป็นเครื่องชี้นาของชีวิตอยู่แล้วเป็นเครื่องชี้นาจิตวิญญาณคือจิตใจของมนุษย์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายมาสู่วัดวาศาสนาอย่างวันนี้ถือว่าวัดหรือว่าพวกเราถือว่าเป็นมงคลมหามงคลอย่างยิ่งอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวแล้วก็ท่านนายกเป็นประธาน และก็พร้อมกับกลุ่มทำงานเทศบาลจังหวัดนครอุดร น, น, นครอุดรธานีของพวกเราและก็พวกเร า, ท, ท, ท, ท, าทุกทุกท่านอันนี้เป็นกลุ่มที่สามได้มาเข้ามาสู่วัดวาศาสนาโค้งจะไปไร้แห่งไร้หนเหมือนกันแต่ละปีนะแต่ปีนี้จะมาวัตทีวัดของหลวงพ่อ หลวงพ่อมาถึงแล้วก็เนี่ยหลวงพ่อก็จะได้กล่าวสมโภชนิยะคถาตอนรับพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อมาสู่วัดวาศาสนาแล้วพวกเราก็ควรจะได้ยินได้ฟังทำคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทำคำสั่งสอนของหลวงพ่ออินนะพวกเราจะไปคิดว่าทำคําสอนเป็นของหลวงพ่อไม่ใช่หลวงพ่อเป็นช้างเท้าหน้าอย่างที่ว่านะคือพระสงฆ์สัมมเอ็นจะต้องนํำทำคําสอนของพระพุทธเจ้า ได้ศึกษาได้ปฏิบัติมาอย่างไรรู้เห็นอย่างไรประสบการณ์มาอย่างไรจากนั้นก็มาแนะนํำนแก่คณะทา ญ, ญาติโยมผู้อยู่ทางคารวาสที่มีแต่หน้าที่การงานไม่ได้สนใจเรื่องธรรมะอันลึกซึ้งเหมือนกับพระสงฆ์ที่อยู่ในวัดวาศาสนาพระสงฆ์อยู่ในวัดวาศาสนาเนี่ยเป็นหน้าที่ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติ ด, ด้วยประสบการณ์มาอย่างไรท่านจะได้ นำทำคําสอนของ พ, พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ประสบพบเห็นมาบอกกล่าวให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษา อ, อย่างที่หลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อก็เล่าประวัติย่อให้ฟังชีวิตของหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อบวชเป็นสัมมาเนอ็นแต่อายุสิบเอดสิปีปีสองพันห้ารเนี่ยนะปีหลวงพ่อบวชปิดเป็นสัมมเนอ็นปี2องพันห้า้อจากนั้นปีศูนย์แหลวงพ่อก็ได้บวชเป็นพระเป็นเวลา8ปดปีเป็นสนนัมมเอ็น อยู่กับองค์หลวงปู่ล่าวัดผูเจ้าก้อนเป็นเนนของหลวงปู่ล่าอยู่ป่ารงพงไพขนาดนั้นแหละทำไมก่อนทางรถทางราไม่มีหรอกป่ารงพงไพอย่างนั้นเขาเป็นพระก็เป็นพระปีศ8จากนั้นจําจรภษากับหลวงปู่ล่าอยู่กับหลวงปู่ล่าเป็นเวลา9ปีจากนั้นก็ไปอยู่กับหลวงปู่จามหลวงปู่จามพวกคณะสตรายาติโยมที่ตั้งอยู่ที่นี่ก็คงจะได้ไปพบไปกราบท่าน อายุร้อยสองปีกว่าเดี๋ยวนี่เป็ว่าเป็นพระที่มีอายุพรรษาอายุมากที่สุดจะว่าในประเทศคนจะว่าได้ที่ว่าพรรษามากนะร้อยสองปีกว่าอันนั้นคือหลวงอาหลวงอาของหลวงพ่อเป็นน้องโยมพ่อแท้ๆของหลวงพ่อนะหลวงอาแต่อนั้นหลวงพ่อก็ไปอยู่กับหลวงอาอีกสองปีจากนั้นก็ไปอยู่ขึ้นไปอยู่จําพรรษากับหลวงปู่แหวนพอหลวงอาพาไปหลวปูจามท่านเคยไปอยู่ทางเชียงใหม่ ถึงสาิกว่าปีเนี่ยพอบวชมาแล้วท่านก็ไปเที่ยวอยู่ในป่านรงพงศ์ไปแถวจังหวัดเชียงใหม่ภูเขาลูกไหนอินทนนท์อินทน น, นทนน์ดอยลง ด, ดอยลางท่านไปมดหลวงปู่จามเนี่ยถามที่ไหนท่านรู้หมดแต่กระจุยหมดทางภาคเหนือสมัยหลวงปู่ม่นหลวงปู่ต่างๆขึ้นไปอยู่ทางภาคเหนือเพราะฉะนั้นหลวงหลวงอาจามเนี่ยท่านไปอยู่ทางภาคเหนือท่านไม่กลับมาบ้านเป็นเวลาทั้ง30กว่าปี จากนั้นพอแม่ท่านป่วยอาการหนักอายุเกือบจะแปดสิบท่านก็ลงมาลงมาแล้วก็มาอยู่ดูแลแม่ท่านพอดูแลแม่ของท่านคือโยมย่าของอาตมาเน่ะพอตายท่านโยมย่ามรณภาพท่านก็ขโมยหนีอีกเหมือนกันฮะหลวงปู่จาไม่ใช่ธรรมดานะ่ขโมยหนีไม่บอกใครเลยฮหลวงพ่อได้ติดตามท่านขึ้นไปไปอยู่ทางเชียงใหม่ท่านก็อกไปจำบรญชาที่วัดเจดียหลวงท่านก็บอกเออต้ไปอยู่กับท่านหลวงปู่แหวนนะ อำเภอพระเาจังหวัดเชียงใหม่รพร้อ ย, ย, ย, ยแม่ปังฮะท่านก็ไปส่งอาตมาก็ได้ไปอยู่ที่นั่นจำพรรษาปี2510อ่ยจากนั้นก็ได้ลงมากลับมาจำพรรษากับหลวงปูจามอีกเพราะญาติพีพ่น้องติดตามขึ้นไปถึงท่านจะขโมยญาติพี่น้องก็รู้จักว่าท่านอยู่เชียงใหม่อยู่แถวไหนแล้วฮะเขาก็ตามขึ้นไปเ่ยเขาก็ไปตามท่านลงมาอีกท่านก็จะไหว ย, ยังไงเพราะญาติพีพ่น้องขึ้นไปตามท่านก่อน เอขัดขืนเขาไม่ได้ฮะนั่นก็ตามลงมาไม่อยู่แต่หลวงพ่อก็ได้ตามท่านลงมามาอยู่ที่ห้วยทรายเป็นพรรษาที่สี่จากนั้นหลวงพ่อก็ได้มาออกจากพรรษาที่สี่หลวงพ่อเออหลวงอาครับอผมอยู่ที่บ้านไม่ได้หล้วสัญญาอารมณ์มันมากไม่รู้เห็นคู่เห็นคนโดยมากเห็นสาวนะ่ะที่รู้จักมักคุ้นกันนะ่ะเห็นหมู่เห็นเพื่อนเข้ามาเนะี่ยพระน้อยพระหนุ่มอย่างที่หลวงอาเคยพูด ไม่ควรจะอยู่บ้านนะแต่จะให้ผมอยู่บ้านด้วยกับหลวงอาเนี่ยคงไม่ไหวแล้วครับหลวงอาผมขอไปปีกไปวิเวกครับเอ้าไปจากนั้นหลวงพ่อก็ได้เดินทุ่งขึ้นมาทางแสบจุฬนครเออมาวัดหลวงปู่ฉิมหลวงปู่แว่นหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่สมัยหลวงปู่สุพัฒนหลวงปู่สิงทองจากนั้นขึ้นมาหลวงปู่ขาวหลวงปู่อ่อนหลวงปู่น้องแสงจะได้เข้ามาอยู่วัดหลวงตามหาปัว ปี 2,512 นี่แหละที่ชีวิตของหลวงพอ่อจากนั้นก็อยู่ที่วัดป่าบ้านตาดเป็นเวลา14ปีตั้งแต่ 2,512 ถึง 2,525 หลวงพ่อจะได้ออกมาตั้งวัดที่นี่25นี่เนี่ยสาลาลังนี้เสร็จปี 2,530 ที่ป้ายตรงพระประธานนี่แหละอย่างนั้นก็หลวงพอ่ออยู่ที่นี่มาแล้วก็ไปจํารรษาปีที่อื่นเพียงปีเดียวคือปี 2,530 นะ นี่แหละอันนี้คือชีวิตของหลวงพ่อหลวงพ่อได้ทุ่มเทชีวิตทั้งชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นระยะเวลายาวนานทีเดียวตั้งแต่ 2,500 จนถึง 2,555 นับดูซินับข้อมือดูซิว่าเป็นกี่ปีนี่แหละอันนี้ก็คือชีวิตที่อยู่ในพระพุทธศาสนาเพราะนั้นประสบการณ์ารของหลวงพ่อนี่คืออะไร ที่จะได้แนะนําสั่งสอนศรัทธา ญ, ญาติโยมให้เข้าใจเรื่องธรรมะหลวงพ่อเองอยู่ในป่าโรงพงไพหลวง ป, ปู่หลวงตาพระแม่ครูบายอาจารย์มีแต่แนะนําสั่งสอนให้เรื่องภาวนาเรื่องภาวนาเป็นสิ่งที่จําเป็นและสำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตของพวกเราเพราะใจของเราแต่ละวันเนี่ยมันหลงมันลืมมันหลงมันห ล, ลงอะไรมันหลงโลกว่าโล ก, กนี่เป็นอนิจจังว่าโล ก, กนี่เป็นนิจจังของเที่ยงแท้แน่นอนเป็นสุข เป็นตัวตนของเราเป็น ช, ชีวิตที่ยั่งยืนแต่ตาม่จริงไม่ใช่นะชีวิตของพวกเราเนี่ยมันยืมวันอยู่เท่านั้นเองเออมันยืมวันอยู่ไม่รู้ว่าจะจากไปวันไหนหายใจหายใจไม่เข้าแล้วหายใจไม่ออกเท่านั้นละ่ะแปลว่าตายตายและหมดสภาพทั้งหมดเพราะพระ เ, เจ้าไปค้นคว้าศึกษาดูแล้วว่าหนทางที่จะไม่มาเกิดมาแก่เจ็บตายนั้นคืออะไร มีพระพุทธเจ้าท่านไปศึกษาอยู่ที่โคลนต้นโพบรมครูของพวกเราท่านนั่งสมาธิเหมือนนั่งพระนั่งพระพุทธรูปนั่งพวกเราท่านทั้งหลายเห็นนี่แหละพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั่งอย่างนี้แหละท่านหลับตานะแต่พระพุทธรูปของของเร า, เรายัางยังลืมพระเนศอยู่ยังลืมตาอยอู่แต่พระพุทธรูปท่านนั่งขัดสมาธิหันหน้าไปทางทิศตะวันออกแล้วหลับตากําหนดลมหายใจเข้า รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกอันนั้นแหละคือกรรมฐานหรือพระพุทธเจ้าภาวนาอะไรที่ท่านได้ตัดรู้ในวันเดือนหกเพนนนั้นพระพุทธเจ้ากําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกไม่ได้เผลอไปทางไหนไม่ให้คิดใจคิดไปในอดีตไม่ให้คิตใจคิดไปในอนาคตให้ใจอยู่ในปัจจุบันที่ปลายจมูกเท่านั้นในขณะนั้นะ อันนี้ลักคือกรรมฐานพระพุทธเจา้าแต่หลวงปู่มั่นต่อมาหลวงปู่มั่นท่านนํามาประยุกต์ใช้ว่ากรรมฐานของพระพุทธเจา้ามันกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะมันสั้นเกินไปมันทําให้หลุดง่ายทําให้ใจมันเผลอง่ายสแวัไปสวัสมาง่ายท่านจึงให้คำให้สัำทับว่าหายใจเข้าพดหายใจออกโธนี่คือกรรมฐานหลวงปู่มั่นท่านมานำมาประยุกต์ใช้กับพวกเราท่านทั้งหลาย เพราะนั้นครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นท่านจะสอนท่านจะแนะนําให้พวกเราท่านทั้งหลายก่อนหลับก่อนนอนเวลาไหว้พระแล้วโอกาสว่างๆท่านเรานั่งเก้าอี้ก็ได้นั่ง่พับเพียบก็ได้นั่งคัดชมาที่ก็ได้ถ้าผู้สูงอายุนั่งไม่สะดวกพับขาไม่ได้จะนั่งวนเก้าอี้ก็ได้แต่เอามือประสานไว้ที่หน้าตักจากนั้นก็ให้กําหนดลมหายใจเข้าพดหายใจออกโธ โผดทโผนี่แหละคือกรรมฐานของพระพุทธเจ้านะจากนั้นถ้าว่ามันใจยังยังยังเผลอยังฟับยังออกไปอยู่ยังสวัสดไปอยู่มันออกไปบางทีเรานั่งมันคิดไปนู่นถึงอังกฤษอเมริกาถึงหลูกถึงหลานถึงใครก็ไม่รู้เอ อ, อนนั้นให้บริกรรมให้ถีถีดูเจเพื่อยับยั้งไม่ให้มันออกไปได้ให้พุทโผดโผดโผดโผดโผดโผดโผดโผดโผในใจลึกๆแต่ไม่ต้องบ่นออกปากนะ ให้พุโทโธให้ใจบนให้ใจสาตายายให้ใจโพูด อ, อย่าให้มันคิดนให้พุโทโธุทโธพุโทโธพุโทโธพุโทพโธจนไม่มีช่องว่างที่มันจะออกเดี๋ยวจิตจะจิตจะสงบเองค่ะอันนี้อันนี้คืออันอันที่สองอันที่สามหลวงพ่อแนะนําแก่คณะจตธายาธโยมหลายหลายคนเนยว่าได้ได้ผลคือพวกเราชํานิชํานาญในการนับพอตื่นขึ้นมาเราก็นับเงินนับทองนับอะไรต่อนับอะไรเขามาเอาเงินมาให้แล้วก็นับตัวเลข ถอนเงินบ้างนับเงินบ้างฮะหลวงพ่อให้นับดูสิหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองหายใจเข้านับสามหายใจออกนับสี่นับไปถึงร้อถ้าไม่เผลอนับไปอีกนับหนึ่งอีกถึงร้อยถ้ามันเผลอเผลอที่ไหนเผลอยี่สิบเอานับมากลับมาหนึ่งมาอีกให้ตั้งสติให้เข้มแข็งก็ดีทําไมมันเผลอให้ขึ้นแท่งเข้มนับอีกเวลาหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองแล้วนับมันเป็นยังไงเราจะรู้ได้ว่า เราเผลอเราเผอในขณะไหนถ้าเราพุทโธพุทโธลรเราเผอไปอาจจะมันมันหลุดไปแต่ขณะพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเออเนี่แหละมันก็เผอได้แต่เรานับหนึ่งหายใจเข้าหนึ่งหายใจออกสองเนี่ยเวลาหายใจเข้ามันเป็นเลขขี้นะหนึ่งหายใจออกเป็นเลขคู่สองหายใจเข้าเป็นเลขขี่สามให้เป็นเลขเลขคู่สี่เออห้ว่าถึงร้อยคู่กับขี่คู่กับขี่คู่กับขี่ไปอย่ังไน่ะ แต่ได้ถ้าว่าเราเผลอบางทีมันหายใจเข้ามันเป็นเลขคู่หายใจออกมันเป็นเลขคี่นั่นน่ะมันผิดจังหวะไลยเป็ว่าเราเผลอหละเออเราเผลอบ่อยไหมถ้าการเผลอบ่อยๆไม่เป็นผลดีนะเอพณะสัทยาญาณโยมลูกหลานนะถ้าเผลอบ่อยๆไม่เป็นผลดีเอคนขาดสติบ่อยๆไม่เป็นผลดีเป็นบ้าในง่ายๆถ้าคนขาดสติถ้ามีสติสมบูรณ์้จะไม่เป็นบ้าเอถ้าว่าพวกเราเห็น คนเดินตามถนนผมยาวๆนั่นพวกนักขาดสติทั้งนั้นนะเพราะไม่มีสติถ้าเขามีสติเมื่อไหรเมื่อนั้นเขาจะเป็นคนสมบูรณ์ขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นเราเผลอสติบ่อยๆมันไม่เป็นผลดีสําหรับเราเพราะฉะนั้นเราควรจะอพยายามให้มีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดเมื่อเท่าแก่ชราเข้ามาเราก็จะมีสติสัมปชัญญะกูอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดเฮ้ยกาหนดคือพยายาม พยายามให้มีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวเองหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหรือพูดพุทโธพุทโธทพุทโธหรือวันหนึ่งสองสามอย่างที่ว่านั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายเนี่แหละคือกรรมฐานที่พวกเราเนี่ยฝึกจะให้มีสติสัมปชัญญะและเมื่อพระพุทธเจ้าที่ท่านนั่งสมาธิที่โคลนต้นโพเมื่อท่านหายใจเข้าหายใจออกปีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกใจของพระองค์รวมสงบลงเป็นหนึ่ง จิตรวมจิตสงบรวมเป็นหนึ่งเมื่อจิตสงบรวมเป็นหนึ่งแล้วท่านรู้ได้รู้ได้โดยพระองค์เองว่าร่างกายกับใจนั้นเป็นคนละอันกันเป็นคนละส่วนกันร่างกายกับใจเนี่ยเป็นคนละอันที่ตัวนึกคิดเนี่ยคือตัวหนึ่งตัวร่างกายนี่นคืออันหนึ่งถ้าจะเปรียบเทียบไปเห็นชัดเจนก็เหมือนกับร่างกายเหมือนกับรถจิตใจคือตัวคิดนึกคิดหนึ่งคือโซโฟเฟอร์ของรถโซโฟเฟอร์รถกับรถ ไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันแต่รถคันนี้พร้อมที่จะตายได้เหมือนกับ ม, มันวิ่งฟิ้งไปหมดน้ํามันอย่างนี้เน้ําหมดอย่างนี้สายพานหลุดอะไรทุกอย่างมันพร้อมที่จะเสียเสียได้รถแต่เวลารถเสียในกลางถนนมันไม่รู้ว่ารถยังไงแต่โซเฟอร์ออกมาจากรถเท่านั้นแหละมาเปิดฝากระโปรงดูเปิดท้ายดูเปิดสองหน้าสองหลัง สองพื้นดูมันเป็นไรรถคัเดี้ทำไม ม, มันเสียเสียที่ตรงไหนอ่ะแต่รถเนี่ยมันเฉยนะมันไม่รู้ไม่รู้ให ม, ม่ซีใหม่อะไรทั้งหมดแต่โซเฟอร์เนี่ยเป็นทุกข์กับรถทีนี่นี่แหละเพราะพระเจ้าท่านนั่งภาวนาที่โคลนต้นโพท่านรู้ได้ว่าเรื่องของใจเป็นเรื่องใหญ่ร่างกายเนี่ยมันเป็นเป็นเรื่องเป็นผลมาจากอดีตชาติมาเกิดแต่ใจของเราเข้ามาอยู่ในร่างตัวนี้นะในร่างกายเนี่ย ตัวนี้เป็นตัวสําคัญมากท่านจึงยกเป็นภาพบาลีขึ้นมาว่ามาโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจเพราะฉะนั้นคนเราในร่างกายของคนเราทุกคนมีสองมีกายกับใจคือรูปธ ร, รรมและนามธรรมรูปธ ร, รรมคือร่างกายนามธรรมคือจิตใจแต่หลักของพระพุทธศาสนาท่านให้ความสําคัญเรื่องนามธรรมมากกว่ารูปธ ร, รรม คือให้ความสำคัญความสําคัญเรื่องของใจมากกว่าเรื่องของร่างกายเนี่ยเพราะฉะนั้นให้พวกเราศึกษาศึกษาเลยทําไมพระพุทธเจ้าจึงให้ความสําคัญเรื่องของใจมากกว่าของกายแต่มนุษย์ชาติไม่ว่าวิทยาศาสตร์ไม่ว่าวิทยาศาสตร์การแพทย์เขาจะให้ความสําคัญเรื่องของกายมากกว่าเรื่องของใจแต่เรื่องของพระพุทธศาสนาท่านให้ความสําคัญเรื่องของใจมากกว่าเรื่องของกายเพราะนั้นหลวงพ่อเองได้มาศึกษาจุดนี้แหละ ที่อยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาท่านให้ความสำคัญเรื่องของใจมากกว่าเรื่องนามธรรมที่จับยากตัวรู้ยากๆท่านว่าตัวนี้สำคัญถ้าว่าตัวนี้นิสัยดีมีความรับผิดชอบอมีคุณธรรมมีศีลธรรมใจมีศีลธรรมใจได้รับการศึกษาที่ดีร่างกายนี่ก็ดีไปด้วยถ้าว่าใจของเราเป็นนักเลงใจของเราเ เป็นผู้มีอารมณ์โมโหโกธาไม่ยอมรับอะไรทั้งหมดเป็นนักเลงเป็นหัวไม้ไปว่างามมาาธรรมขาดศีลธรรมไม่ยอมรับศีลธรรมมาปกครองกายอนี้กายได้ก่อนพอขึ้นมาในกาย เ, เห็นใครม่จะต่อยหมัดต่อยมวยมิแต่ใช้หมัดใช้มวยเหมือนแต่ขับรถคนที่โซเฟอร์นิสัยไม่ดีนิสัยไม่ได้รับการอบรมไม่รู้จักบาบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ ไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่ำเออนักเลงเออคนขับรถคนนั่นหนิคนเมาอย่างเนี้ยเรียกว่าคนไร้ศีลธรรมอย่างเนี้ยเห็นไก่เห็นหมูเห็นหมาเหยียบด่าไปหมดเห็นคนนี่นก็เชี่ยวไปหมดหมายควาะไงล่ะเพราะว่าโชเฟอร์นั้นไม่ไรับไม่ได้รับการอบรมที่ดีแต่ถ้าว่าอบโชเฟอร์ได้รับการอบรมที่ดีเอ้ยโชเฟอร์เอออย่าไปทําอย่างนั้นนะถ้าไปทําอย่างนั้นอ่ะไปเหยียบตัวเองเข้าสิ ปเหยียบลูกเหยียบร้านเขาตัวเองเขาไปเสร็จแล้วตัวเองมีความรู้สึกอย่างไงแล้วไปเหยียบเขาหรอเขามีความรู้สึกอย่างไรเอาใจเขามาใส่ใจเราดูซิโซเฟอร์โซเฟอร์ถ้ามีศีลธรรมแล้วเขาจะรู้จักชะลออหมาเขาก็บีบแตรอะไรลักษณะอย่างนั้นให้สัญญาณเขาจะไม่ทําออกนอกลูก่นอกทางเพรา อ, อะไรเพราะโซเฟอร์มีศีลธรรมออถ้าโซเฟอร์ไม่มีศีลธรร ม, มเนียเหยียบด่าไปหมด แล้วก็บีบแตรไปหมดเออไม่ควรจะบีบก็บีบบีบไปเรื่อยไล่คนไปเรื่อยแตรคืออะไรก็คือปะของพวกเราเนี่ยจะพูดอะไรก็พูดท่ามไปหมดไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่ําไม่รู้จักสิ่งควรไม่ควรไม่รู้จักพ่อแม่ปู่ย่าตายายควรจะพูดสัมมาคารวะอย่างไรไม่ด่ากาดไปหมดอันนห้แปลว่าโซเฟอร์คือใจของเรานั่นแหะไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีคุณธรรมในจิตใจใจไม่ได้รับการอบรมที่ดี เพราะนั้นท่านจึงให้ใจคือดวงนี้แหละโซเฟอร์จะต้องได้รับการอบรมที่ดีเอาศีลธรรมเข้าไปสู่โซเฟอร์โซเฟอร์อรนั่นจะเป็นโซเฟอร์ที่ดีเมื่อขับรถไปที่ไหนๆก็เป็นที่ยอมรับของคนทั้งหลายนี่แหละพอพระพดเดชจ้าท่านไปศึกษาค้นคว้าอยู่ที่โคลนต้นโพเนี่ยท่านเห็นนะรูปประธรรมและนามธรรมาจากนั้นพระองค์ก็บอกว่าตัวใจเป็นตัวใหญ่ตัวใจเป็นตัวสําคัญ แล้วโซเฟอร์ตัวเนี้มันเป็นนักท่องเที่ยวนะเกิดพบไราชาติใดมันไปที่ไหนๆก็ได้ใจดวงนี้แต่ทําไมาคนเกิดมาแล้วไม่เหมือนกันพราะพระเจ้าฉันว่าพอถึงเที่ยงคืนท่านได้ญาณทัศน์ขึ้นมาอีกว่าจุตูปะ ป, ะปะตาตาญาณการจุดติของสัพพสัตการจุดติของสัพพสัตคือมาจากไหนมาเกิดที่นี่ออกจากนี้แล้วจะไปไหนใช่มันมาเกิดที่นี่เพราะอะไรทําไมามาเกิดแล้วไม่เหมือนกัน คนมาเกิดทำไมไม่เหมือนกันหูหนวกตาบอดบ้าใบาโง่ฉลาดนิดสัยใจคอแตกแตกต่างกันทำไมมันเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าอดีตกรรมอดีตชาติของเขาเขาทำกรรมไว้ไม่ดีคนที่หูหนวกตาบอดบ้าใบาเสียจิต เ, เขาทำกรรมไว้ ไ, วไม่ดีในอดีตชาติมาเกิดชาตินี้คือวิบากของกรรมกรรมส่งผลให้มาเกิดแต่คนที่มีนิสัยดี มีความมั่งคัง่งสมบูรณ์กิริยามารยาทอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพ์สมบัติท่านบอกว่ากรรมดีในอดีตของเขาให้ผลมาในชาตินี้เขาจึงเป็นผู้มีบุญแต่ถ้าว่าพวกเขามาถึงชาตินี้แล้วมีแต่มัวเมาไม่ได้สนใจเรื่องศีลธรรมไม่ได้สนใจเรื่องบาปบุญคุณโทษหากินใส่ปากใส่ท้องแต่ละวิตละวันจะคดจะโงจกงจะป้นจะ ก, กี้จะเอารัดเอาเปรียบเพื่อนมนุษยชาต สิ่งไหนที่เป็นหายยีนะทำได้หมดทุกอย่างสิ่งที่ไหนที่มันไม่ดีเกิดพบหน้าชาติหน้าเขาจะต้องไปตามกรรมกรรมความชั่วที่เขาทำนั่นแหละจะตามสนองแต่ถ้าว่าผู้ใดก็ตามทํากรรมที่ดีไว้แล้วเกิดชาติหน้าพบหน้าชาติหน้าก็จ ะ, จะเจริญรุ่งเรืองตายแล้วไม่สูญพราะพระุทธเจ้าไปพิสูจน์แล้วตายแล้วไม่สูญโชเฟอร์ตัวนั้นละ่ะเป็นนักท่องเที่ยวเไปเกิดในภพภูมิต่างๆเพราะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสเป็นพระบาลีขึ้นว่า กระตังทุกกระตังเสยอยู่ปัจฉาตะปฏิทุกกระตังความชั่วอย่าทำมันเสียเลยดีกว่าเพราะความชั่วเมื่อทำแล้วความชั่วนั้นจะให้ผลติดตามต่อไปในภาคหน้าไม่มีที่สิ้นสุด mm hmm. เพราะนั้นในหลักของพุทธศาสนาท่ทานยืนยันอย่างนี้ในครั้งหนึ่งในครั้งพุทธกาลในครั้งพระพุทธเจา้าพระองค์เสด็จประทับอยู่ที่วัดป่าเชตะวันมหาวิหาร วันหนึ่งพญาไปเสนที่โกศลที่คลองเมืองคลองกรุงสวัตถิเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าตอนบ่ายพระพุทธองค์ถามว่ามหาปพิธทําไมมาตอนบ่ายวันนี้ไม่มาตอนเช้าและนานมากเลยกี่วันเนี่ยไม่ได้มาหาเราตถาคตแตนะ่กี่วันเราหามาหาปพิธเจ็ดวันแล้วไปเจ้าค่ะเออทําไมจึงห่างไม่ได้มานะโอ้ข้าพระองค์ได้ขนทรัพย์ของเศรษฐีเออเศรษฐีเขาตายแล้วเขาไม่มีญาติกับผมก็เลย ได้ดูแลเรื่องทรัพย์ของเขาขนเข้ามาในท้องพระคลังหลวงจึงเจ็ดวันเกวียนห้าน้อยเล่มขนมาเจ็ดวันเพิ่งเสร็จวันนี้พระเจ้าค่ะพอเสร็จแล้วก็มาได้เข้ามากราบพระพุทธองค์เดี๋ยวนี้แล้วพระเจ้าค่ะเออพระพุทธองค์บอกว่าทําไมเศรษฐีเขาไม่มีญาติครับกับผมเพราะเขาตายไปแล้วไม่มีญาติกับผมก็เลยเ อ, อได้ไปขนอทรัพย์ของเขาเข้ามาในไว้ในท้องพระคลังหลวง เป็นจุบัดหลวงพระเจ้าค่ะเพราะพระโองค์บอกว่าเนี่ยเศรษฐีที่ตายไปในืเจ็ดวันเนี่ยนะนี่เป็นชาติที่เจ็ดของเขาแล้วนะชาติที่เจ็ดของเขาเขารวยมาถึงเจ็ดชาติแต่ต่อนนี้ไปเขาจะเป็นคนจนแล้วนะหมดแล้วอันนี้สงฆ์บุญกุศลที่เขาได้ทำมาหมดเหมือนกับเราไปทำไร่ทำนาใส่จุงใส่สางไวนะ้กินเอากินเอากินทุกปี เพอถึงเจ็ดปีหมดข้าวในยุง้งเพราะเหตุไรเพราะไม่ได้ทําต่อฮะเพราะไม่ได้ทําต่อมันก็ข้าวมันก็หมดเฉอนี่แหละพระพุทธองค์ท่านบอกบุญมันก็หมดเป็นเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอย่าอยู่เฉยเฉยต้องสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตใจไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาปฏิบัตินี่แหละเอาบุญกุศลเข้าสู่จิตใจถ้าไม่เอาบุญเข้าสู่จิตใจแล้วหมดเป็นนะพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็ถามพระพุทธเจ้า ว, ว่า เขาได้สร้างบุญอันไหนไว้หนอพระเจ้าข่าจึงรวยถึงขนาดนี้เขามีทรัพย์ทั้งแปดสิบโขดนะคับผมรวยมากเศรษฐีแต่นี้แต่ไม่มีลูกไม่มีญ า, ต, า, าติอีกต่างหากพระองค์บอกว่าในอดีตชาติของเขาน่ยชาติก่อนน่ยจากนี้ไปถึงชาติที่เจ็ดเนอเขาเป็นโปรโลหิตตายจานเขาเป็นโปรโลหิตคือเป็นนี่แหละเป็นองค์ขมนตรีองค์ขมนตรีของพระเจ้าพระเจ้าพ ม, มาทัศน์เป็นองค์ขมนตรีเป็น ผู้ให้คำปรึกษาพระเจ้าแผ่นดินในยุคสมัยนั้นแต่ในท่านก็เดินขึ้นมาเข้าไปในตลาดไปพิจารณาตอนเช้าเห็นพระประเจกผู้เทิเจ้าออกจากนิโรธสมาบัติท่านก็เดินบินทบาทในตลาดคนทั้งหลายก็เดินควักไข่กันก็ไม่มีใครใส่บาตรพระประเจกนีโปโลหิตคนนี้โปรโลหิตตาจานคนนี้ก็เลยบอกประกาศเอ้ยพวกเราทาั้งหลายสัตยาธิโยมลูกหลานทั้งหลายใส่บาตรพระประเจกพระประเจกบินทบาท ใส่บาตรเนะีลูกหลานเะน่ยสร้างคุณสร้างกุศลเข้าสู่จิตใจเอา้าใส่บาตรใส่บาตรคนทั้งหลายได้ยินโปรโลหิตป ร, ประกาศอย่างนั้นเขาทั้งหลายก็ใส่บาตรเพราะปฏิเจกเพราะไปใส่บาตรเพราะปะเจกเสร็จแล้วแต่โปรโลหิตไม่ได้ใส่อไม่ได้ใส่บาตรพอประกาศเสร็จแล้วก็ตัวเองก็คิดในใจโอ้ส ม, มณะเ อ, อยู่ในป่าดงพงไพ่กินแล้วก็มาได้ช่วยกัน ไม่ได้ช่วยบ้านช่วยเมืองอะไรกินแล้วไปตีพุงอยู่ในป่านัา่นไม่ได้ช่วยบ้านเมืองอะไรและก็ตอนเช้ายังค่อยโผล่มาหาขออาหารกินไม่ได้ทําประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติาโปรโลหิตคิดอย่างนั้นก็เดินเข้าไปในเวียงวังแล้วไปทํางานต่อ น, ะนี่แหละอา น, นิสงส์ที่ว่าประ ก, กาศให้คนทําบุญนั่นเกิดมาพบหน้าชาติหน้าถิ่นรวยท่นีเ่เพราะอา น, นิสงส์ประ ก, กาศให้คนทําบุญให้คนทําบุญอา น, นิสงส์มี พอรวยเข้ามาแล้วเก็นก็ไม่ได้ใช้ก็ไม่ได้ท่นี่เพราะมันไม่ใช่สมบัติของตนเองเท่นี่จะใช้เงินแต่ละบาทแต่ละั้งโอ้โหเสียดายเออเป็นห่วงกลัวมันจะขาดถ้ามีเออหัวร้อยกับกลัวขาดหัวร้อยขาดหัวพันหัวหมื่นหัวแสนพวกเราคงจะเคยเห็นนะเงินที่อยู่ด้วยกันมากๆเลยคนขี้ตนีเขคงจะมีอยู่จะใช้เงินแต่ละบาทโอ้ห่วงมาก เออจะไม่รู้จะหวงไปเพื่ออะไรทั้งที่เราหามาใช้เนี่แหละปรโลหิตคนนั้นกับลักษณะอย่างนั้นให้ข้าวเาไม่กล้าใช้เงินเวลากินข้าวนนี้นะแต่กินข้าวกินเม็ดหักเออเมด็ดดีๆไปกินเอาไปขายแต่เม็ดหักหักที่มันมุนๆปนๆนนะเอามาต้มแล้วก็กินจะไปกินดีอะไรอกินอันไหนมันก็อิ่มอย่างงั้นแหละไม่เห็นจะสําคัญอะไรกินอะไรก็ได้เนี่ยเออกินอาหารของเศรษฐี ขนาดน้ำส้มผักกลุ่มนะผักกลุ่มเราก็าอร่อยเ ม, มื่อไรถใชเป็นผักกลุมเนะ่ยขนาดเอาเนื้อมันไปขายเอากินน้ํามันกินน้ําส้มผักกุ่มมาควบ ก, กับข้าวกินฮะบอกว่ากินอะไรก็ได้แค่ไปไปกินอดีบดีอะไรกินขนาดเนี้่ยที่ไหนจะมันเป็นเงินเอา้าเขาไปขายเก็บไว้เงินนะมีประโยชน์นะถ้าร่มก็ใช้ใช้ล่มขัดขาดที่บริษัทตัวเองทําไปแล้วเนี่ยมันชํารุดตัวไหนเอออมาให้ค่าใช้ เอาตัวดีๆไปขายรองเท้าก็เหมือนกันเสื้อผ้าก็เหมือนกันเอาของดีๆไปขายหมดเอาของ ข, ดขดอาดๆออกมาใช้เศรษฐีนะ่ะเพราะเหตุไรพอกสมบัติที่ได้มาเนี่ยไม่ใช่สมบัติของตนเองสมบัติประ ก, กาศให้คนอื่นทําบุญและตัวเองเป็นคนเป็นคนได้บุญแล้วก็ไม่กล้าใช้เพราะเหตุไรเพราะว่าไม่ใช่สมบัติของตัวเองนี่แหละเศรษฐีเป็นอยู่มีเงินถึงแปดสิบโขสมัยนั้นก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะ แต่ลูกหลานใครจะมาใกล้ไม่ได้ไล่หนีหมดประกาศใครจะเป็นลูกเป็นหลานไม่ได้อย่ามาใกล้กูไม่มีลูกมีหลานตาหนีหมดลูกหลานกระเจิดกระเจิงแบนี้ไปทุกแห่งเลยตัดญาติขาดมีดไปหมดมีแต่ตัวคนเดียวฮนะ เ, เพราะฉะนั้นชาติท่านก็รวยเกิดขึ้นมาอีกชาติอันนี้ส์บุญที่ประกาศใส่บาตรพระพเจิตทรงผลอีกถึงเจชาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเขาแล้วพระพุทธเจ้านะี ที่ท่านรู้นั่นนะเนียว่าจูตูปะปาะะต่ ย, ยา น, นะการเกิดการตายของสรรพสัตว์เป็นมาอย่างไรพระพุทธองค์รู้แลยเป็นสายมาเลยเพราะท่านมีญ า, าณทัศนะนี่ยเพราะฉะนั้นในพราหมณ์ตอนี้นี่แหละเป็นชาติที่เจ็ออกจากชาตินี้ไปแล้วหมดบุญแล้วไม่รู้ไปตามยถากรรมของเขาแล้วนี่แหละอันนี้คือมาในพระไตรปิฎกพระพุทธองค์ท่านปลัดเอาไว้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลาย อยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วศูนย์นรกสวรรค์มีจริงหรือไม่ให้นั่งภาวนาในนั่งภาวนานั่งนั่งอย่างพระประธานนั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเมื่อจิตเรารวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่ากายกับใจนะั้นมันคนละอันกันแต่ร่างกายในแตกตายสลายแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นตายแน่กายแล้วเนี่ย เราเผาไม่รู้ว่กี่คนตัว ก, กี่คนมือนเราปู่ย่าตายายของเราแต่ใจของเรานั้นไม่ตายไม่มีไม่มีป่าช้านะหลวงตามหาบัวท่านบอกว่าใจไม่มีป่าชา้าแต่กายท่มีป่าชา้ารรนี่นามธรรมตอนนั้นแหะจะเป็นปฏิสนธิในภพภูมิต่างๆเพราะฉะนั้นในครั้งพุทธกาลมีพ่อค้าทองอยู่ในกรงสาวัตถีเหมือนกันแต่ลูกชายไปสู่วัดไปวัดว า, าศาสนาฟังเทศได้รู้อรรู้ธรรมจากพระพุทธเจา้า แต่เตีย่ยเนี่ยไม่ไปเตีย่ยเนี่ยมีแต่เฝ้าร้านทองอยู่ตลอดห่วงห่วงร้านทองทั้งลูกชายนี่โอ้น่าจะเอาเตีย่ยไปฟังเทศพระพุท ธ, ธเจ้านะเตีย่ยเนี่ยทาไ ม, ไมคิดว่าตัวเองจะมีแต่จะเฝ้าร้านทองตลอดมันไม่ใช่ตลอดนะปู่ย่ยาตายายตา ย, ตายมาแล้วไม่รู้เท่าไหร่แตาไม่เตีย่ยยังไม่ยอมไปศึกษาธรรมะจากพระพุท ธ, ธเจ้าบ้างนะแนะนํายังไงเตีย่ยก็ไม่ไปเพราะในสุดลูกชายก็เลย กับลูกชายหลายคนก็นได้ในมลพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์มาฉันที่บ้านมาฉันที่ร้านทองตัวเองพอมาฉันที่ร้านทองเตียก็ไม่ไปกราบพระพุทธเจ้าก็ไม่ไหนเพราะเป็นเจ้าของร้านใช่ไหมเพราะนี้ก็มากราบพระพุทธเจ้าถวายอาหารพระสงฆ์พระพุทธเจ้าเป็นประธานเตียก็เคยเข้ามากับลูกชายพอมาถึงพระพุทธเจ้าก็ตัดเมื่อฉันพระทหารเสร็จแล้ว พ, พระพุทธองค์ก็บอกว่าอุบาสกนีคือพระพุทธเจ้าเรียกโยมหนึ่งเรียกอุบาสกอุบาสกก็คือโยมผู้ชายนะีอุบาสิกาเนี่ยก็คือโยมผู้หญิงอุบาสกท่านได้ท่านได้คิดไว้หรือยังท่านจะต้องเดินทางไกลนะอุบาสกนะท่านจะต้องเดินทางไกลนะท่านได้คิดไว้หรือยังได้เตรียมสเสบียงไว้หรือยังที่จะเดินทางไกลต่อไปภายภาคหน้าและได้ดูว่าอะอยังจะพักที่ไห น, ไ, หนได้คิดไว้มั้ย ไม่ได้คิดไปเจ้าค่ะนั่นแหะคิดไว้ได้นะเกิดมาแล้วตายตายแล้วไม่ศูนย์ก่อนที่จะตายไปนั่นแหะท่านได้เตรียมเสบียงไว้เลยอย่างได้เตรียมบุญกุศลไว้เลยอย่างถ้ายังไม่ได้เตรียมไว้เนี่ยท่านออกไปท่านเดินทางไปเนี่ยออกจากภพนี้ชาตินี้ไปแล้วท่านตายไปแล้วน่ะท่านจะต้งทุกข์นะถ้าท่านไม่ไม่ได้เตรียมเสบียงเดินทางเอาไว้เพราะฉะนั้นท่านต้องเตรียมนะอย่าประมาทนะตายแน่นะเอให้สร้างบุญสร้างกุศลไว้นะ แล้วจะไปพักที่ไหนออกจากชาตินี้จะไปไหนจะไปฉวัณหรือจะไปที่ไหนจะไปเกิดเป็นมนุษย์หรือจะไปที่ไหนถ้าไม่ได้คิดไว้ล่วงหน้านะนะแปลว่าไม่มีอนาคตท่านจะต้องลําบากนะต่อไปภายภาคหน้าท่านให้คิดเอาไว้นะอันนี้คือ พ, พระพุทธเจ้าสอนพราหมณ์สอนเตี่ยของนายช่างทองนะจากนั้นนายเตี่ยก็สำนึกได้ถึงโอตาย เค่าไม่ใช่ว่าจะอยู่ในล้านทองนี้ตลอดคนตายไปแล้วมันรู้ว่ากี่คนเราไม่ควรประมาทจากนั้นท่านก็บำเพ็ญสั่งสมคุณงามความดีปฏิบัติท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันทั้งลูกชายทั้งพ่อนี่แหละอันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านสอนถ้านม่ได้สอนในลักษณะเดียวกันท่านเตือนบอกว่าชีวิตของพวกเราไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่รู้ว่าจะจะไปวันไหน สรุปแล้วก็คือพวกเราเตรียมวันอยู่ท่านเองพอเกิดมาแล้วจงมารทษเขาเขียนวีซ่าไปแล้วเขาเสียนวีซ่าไว้ให้แล้วอีกสักวันหนึ่งเขาก็ส่งวีซ่ามาให้เราแล้วก็ส่งให้คนนั่นแล้วก็ส่งให้คนนี้พอส่งคนนั้นอ่าวหมดแล้วลมหายใจดับปูกลงไปพวกเราทั้งหลายก็อาวใส่หีบใส่นั้นก็ส่งขึ้นไปเมนส่งไปต่างประเทศแฮ่ส่งไปต่างประเทศไม่รู้ว่าไปไหนละไปตามลาพังเลยอัตตาหิอัตโนนาถู ตนแลเป็นที่พึ่งของตนโกหินาโถปรโรศยาคนอื่น ใ, นใครเลยจะเป็นที่พึ่งเราได้พี่น้องลูกหลานใครเป็นที่พึ่งเราไม่ได้ทั้งหมดในจุดนั้นเพราะนั้นขอให้พวกเรา ท, ทุกท่านนะได้ยินฟังทมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไม่ใช่ทมคำสอนของหลวงพ่อนะไม่ไม่ใช่เอาความตายมาขู่กันไม่ใช่เอาความตายมาขู่กันพวกเราคิดดีคิดดูให้ดีกันแล้วกันเอาความจริงมาพูดให้กันฟัง มันจริงไหมที่ที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยวันนั้นเมื่อเราได้ยินความจริงแล้วเราก็ควรจะปรับปรุงกายวาจาใจของเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สังสมคุณงามความดีเอาไว้นะการพูดการกล่าวสโมโภชนียกถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอํานาจคุณพระศีรัตนตรยัยพระพทุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองขอให้พวกเราท่านทั้งหลายประสบแต่ความสุขความเย็นใจปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบขอบของศิลธรรมก็ข อ, ขอให้สมหวังดังปราถนาทุกประการเถิด